บนถนนที่วุ่นวายตรงมุมที่เงียบสงบฉันคองไฟแก่บนถนนฉันยือนอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปมากทั้งคนและเวลาเวลาผ่านไปฉันเห็นหลายสิ่งฉันเห็นทั้งความสุขและความทุกข์แต่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จำได้ทุกอย่างเด็กๆมาเล่นใกล้ๆฉันและอ่านหนังสือใต้แสงไฟอันอบอุ่นของฉันเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานจำกันได้ไม่ได้ลืมกันเมื่อคณะละครสัตว์มาในเมืองตัวตลกเป่าตแตรและนักโยนของหกล้มและเธอเธอร้องเพลง และเต้นไปด้วยใต้แสงไฟของฉันเธอเหมือนกับเต้นเพื่อฉันคนเดียวแล้วันหนึ่งเธอพาใครสักคนมาด้วยเธอเต้นกับเขาระหว่างที่เขาเล่นกีตาร์พวกเขาจูบกันและเต้นด้วยกันคืนหนึ่งใต้แสงไฟเขาขอเธอแต่งงานเธอร้องไห้และตอบตกลง ฉันไม่ค่อยเห็นเธอเต้นหลังจากคืนนั้นพวกเขาบอกว่าเวลาของฉันมาถึงแล้วถึงเวลาที่ฉันจะต้องโดนเปลี่ยนหวังว่ามันจะไม่เป็นเรื่องจริงฉันขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงฉันเกรงว่ามันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเธอแล้วล่ะที่รักพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นตะเกียงแกส๊ส ่เราต้องทำอะไรให้เธอได้บ้างเธออยู่กับเราเธอเป็นเหมือนกับครอบครัวเราเลยนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่ะเออฉันก็ไม่รู้บางทีพวกเขาอาจจะทาให้เธอละลายและล้อมเธอเป็นบางอย่างที่ใหม่และสว่างขึ้นแต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นแบบอื่นฉันอยากให้เธอเป็นเธอเปลี่ยนเธอเป็นอย่างอื่นเธอจะไม่เป็นเหมือนเคยนะสิ มีอะไรที่เราสามารถทำได้เลยเหรอฉันจะลองดูว่าฉันทำอะไรได้บ้างบางทีฉันอาจจะเปลี่ยนใจพวกเขาได้บ้างแต่ฉันไม่รับปากนะฉันจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณขอบคุณมากมากพวกเขาจะลองดูเหรอฉันหวังได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะพยายามเก็บฉันไว้โอ้พระเจ้าคุ้มครองเขา ผู้หญิงและผู้ชายคนนั้นมีหัวใจเท่าพระจันทร์ฉันเนี่ยอาจจะยังมีหวังฉันต้องบอกเพื่อนฉันพวกเขาต้องมาถึงแล้วสินายคิดว่าเป็นเรื่องดีเหรอที่จะบอกเธอตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันคิดว่านายรู้ทำไมนายถึงคิดว่าฉันรู้ละ่ะอะไรทำให้นายพูดแบบนั้นเฮ้ยฮ นายคิดอะไรของนายเนี่ยไม่อย่ามาท้าฉันตอนนี้ฉันจะทำให้นายดูอย่ามายั่วฉันนะนายนี่มันสุภาพบุรุษหยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ฉันมีข่าวดีจะบอกละ่ะฉันอาจจะถูกช่วยพวกเขาจะลองอีกครั้งยังมีหวังพวกเธอเชื่อไหมมันยังมีโอกาส ผู้เล่หผู้เลเพื่อนเราจะยังอยู่กับเราเพื่อนเราจะไม่ไปไหนผู้เลผู้เลเพื่อนเราจะยังอยู่กับเราเพื่อนเราจะไม่ไปไหนเห็นไม่ล่ะฉันบอกแล้วทุกอย่างจะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะฉันบอกนายแล้วเหรอนายกล้าพูดได้ยังไงเมื่อ น, นายรู้ว่าฉันบอกนายว่าอะไร นายเป็นเพื่อนที่โกหกฉันบอกนายนายบอกฉันเพื่อนเพื่อนหยุดเถอะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะทะเลาะกันพวกนายต้องหยุดโอ้เงียบก่อนพระยาสมาชิกมาแล้วโอ้เพื่อนของฉันเราเห็นอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะเธอผ่านอะไรมาเยอะ กลางวันและกลังคืนความสุขและความทุกข์สงขมและความสงบแล้วเธอก็ยังยืนอยู่ตรงนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างยังคงส่องแสงให้พวกเราให้ความอบอุ่นจากแสงไฟกับพวกเราพวกเราจะปล่อยให้เธอไปได้อย่างไงถ้าคือส่วนหนึ่งของหัวใจและจิตวิญญาณของเราที่รักฉันเกรงว่าจะมีข่าวร้ายมาบอก ฉันไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนใจได้พวกเขาจะมาเอาเธอออกไปพรุ่งนี้เช้าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของเธอเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทางอื่นสิฉันลองทุกอย่างแล้วที่รักฉันขอโทษมันไม่ยุติธรรมเลยฉันมีความหวังตอนนี้ไม่เหลือแล้วพวกเราขอโทษ พวกเราไม่อยากให้เธอไปฉันก็เหมือนกันมันถึงเวลาแล้วมันคือจุดจบสำหรับฉันพวกเธอพูดถึงจะจบของอะไรไม่มีจุดจบและจุดเริ่มต้นพวกเราเป็นอมอตะนะเพื่อนโว้วนั่นอะไรโอโอย ทั้งสองคนระวังไม่มีอะไรต้องกลัวเพื่อนเธอมีฉันและตัวตลกสองตัวนี่นี่นี่เพื่อนที่ฉลาดและตลกแถมยังเป็นตัวตลกด้วยใช่แล้วก็จริงเธอมีทั้งพวกเขาและฉันและเพื่อนนับไม่ถ้วนคนอื่นที่อาศัยอยู่ที่ ได้สัมผัสคนที่อยู่ใต้แสงเธอเธอจะไม่ถูกพวกเขาลืมเธอจะอยู่ตลอดไปนั่นคือเรื่องจริงแต่ความทรงจำอะไรที่เป็นของพวกเขาจะไม่ถูกลืมฉันเข้าใจแล้วฉันจะมอบของขวัญให้กับเธอเมื่อสมาชิกสภา เมื่อดาไฟของเธอเป็นครั้งสุดท้ายฉันน่ก็จะมาเป่าความทรงจำของเธอเองลบความทรงจำของทุกส่วนออกไปและเธอจะไม่เจ็บหรือปวดจากความทรงจำนั้นควรเป็นของขวัญจากฉันให้เธอดีไหมล่ะดีเลยช่างเป็นของขวัญที่ดีที่เธอให้กับฉัน เพื่อนเก่าฉันพระจันทร์เธอและฉันทำหน้าที่เดียวกันนับครั้งไม่ถ้วนบนโลกนี้ให้แสงสว่างกับพวกเขาในที่มืดทำให้พวกเขารู้ว่ามีคนคอยดูแลพวกเขาอยู่นะฉันไม่เคยลืมเธอเธอทาให้ฉันเห็นว่าฉันเป็นอะไรฉันยกย่องทุกอย่างที่เธอทำ นั่นดีมากเลยแต่ฉันมีอะไรพิเศษจะให้เธอนะของขวัญฉันก็คือเพื่อนของเธออีกสองคนเมฆและดวงดาวสวัสดีเพื่อนฉันชอบที่เห็นเธอทุกวันส่องแสงสว่างให้ผู้อื่นของขวัญจากฉันคือฝนที่จะทำให้เธอรู้สึกจดชื่น และล้างน้ำตาของเธอออกไปขอบคุณมากเพื่อนมันช่างสวยงามมากเลยและนี่ก็คือสายรุ้งสำหรับเธอโอ้ฉันชอบเห็นมันบนท้องฟ้าอย่าลืมฉันนะเพื่อนเก่านี่สำหรับเธอเธอจะไม่มีทางลืมคืนนี้แน่นอนอะไรเหรอ ฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วนี่ไงนี่ไงสําหรับเธอเพื่อนรักสําหรับเธอทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่ทำให้หนายหิวไหมเพื่อนว่าไงเพื่อนที่น่ารักทุกคนฉันรักพวกเธอทุกคนเลยขอบคุณมากสําหรับทุกอย่าง ไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกไม่ต้องขอบคุณพวกเราหรอกพวกเรารักเธอเธอจะอยู่ในใจพวกเราเสมอถ้าฉันมีความสุขฉันจะส่องแสงประกายให้เธอโดยเฉพาะเลยนะฟันดีเพื่อนๆพืนถึงเวลาแล้วละ่ะ ฉันไม่อยัางจะเชื่อเลยอ่อขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอเราจะดับไฟของเธอเธอจะถูกเปลี่ยนไหมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเธอแล้ว อ, อ้น่าเศร้าจังฉันมีความทรงจำที่นี่หลายอย่างลาก่อนเพื่อนลา อโอ้นั่นอะไรนั่นเสียงอะไรนะโอ้พระเจ้าเพื่อนเก่าฉันโอ้เพื่อนเพื่อนฉันโอ้เจ้าตัวเล็กเธอคิดว่าฉันจะลืมเธอเหรอชีวิตฉันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเธอนะโอ้ขอบคุณขอบคุณทุกคนเลย